เอาน่าอย่าซสีเรียอเรื่องเทศช้าไปหน่อยวันก่อนหลวงพ่อไปเทศในคุกหลวงพ่อบอกว่า พวกเราที่มาติดอยู่ในคุกเนี่ยเราไม่ได้ติดคนเดียวนะเราเอาพ่อแม่มาติดด้วยพ่อแม่ต้องลำบากตรากรำหาเงินมาซื้อข้าวปลาอาหารข้าวของเครื่องใช้และค่ารถเดินทางที่จะมาเยี่ยมเราทุกอาทิตย์และเรายังทำร้ายจิตใจท่านให้ต้องทุกข์ทรมานตลอดเวลาจนกว่าเราจะพ้นโทษ นักโทษคนหนึ่งมันสำนึกบาปร้องไห้โฮอย่างไม่อายใครท่านทำไมถึงจะมาเทศตอนนี้ทำไมท่านไม่เทศก่อนที่ผมจะทำชั่วไอพวกนี้เวลามันทำชั่วทำอะไรไม่ดีมันโยนให้พระหมดหลวงพ่อเทศมาตั้งนานแล้วโยมอะไปมุดหัวอยู่ที่ไหนไม่มาฟังเอง